Thank you. สุริโยทัยไขยแสงใกล้แจ้งแล้วฝูงยิหกร้องเจื้อแจ้วสแสวงหาซึ่งอาหารทยานไปในนภาหมู่ปักษายังขยันหมั่นหากินท่านที่รักจะซบนอนอยู่ใหยเล่าตื่นแต่เช้าเพื่อเกาจิตเป็นนิจจสินสแสวงหาธรรมพระสัมมาเป็นอาจินชำระล้างซึ่งบนทินออกจากใจอายุขัยในมนุษย์นี่น้อยนัก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 เชิญท่านซ้ายตื่นขึ้นรับสะดับธรรมกรเสียงเสียงปุกให้ปฏิบัติธรรมตอนเช้าลับประหลุนซึ่งก่อนนี้แต่งไว้ดีมากอาตมาก็ชอบํำมามาร้องประท่องคือจูงใจให้โยมเนี่ยไม่ประมาทใช้ชีวิตให้มีคุณค่าทำไมคนเราต้องปฏิบัติธรรม โดยธรรมชาติคนเราเนี่ยจะมีความคิดทางลบแล้วก็จะถูกกิเลสครอบงําให้คิดผิดให้มองโลกอในแง่ร้ายซึ่งบางครั้งเนี่ยถ้าเราคิดเป็นนะหรือวางใจที่ถูกเนี่ยเราจะไม่ทุกเขเท่าไหร่แต่ถ้าเราวางใจผิดเนี่ยเราจะหาเรื่องคิดจะเป็นทุกข์บางทีเราก็ทําให้เป็นทุกข์เองคือคิดทางลบ คนเรามองข้ามความสุขที่อยู่ใกล้ตัวยังบางคนมีพ่อแม่ที่อบอุ่นมีลูกหรือมีสามีภรรยามีคนรักที่อยู่ใกล้เราเนี่ยเรามักมองข้ามเราไป ม, มองความไม่ดีของเขาความดีของเขาเนี่ยอาจจะมีกับเราเนี่ยนับร้อยนับพันนับหมื่นครั้งเรามองข้ามหมดเลยเวลาเนี่ยพูดขัดหูขัดหูเราหรือขัดใจเราเราก็เก็บมาคิดบางทีเลิกกันก็มีอย่างสามีภรรยาเนี่ย ถ่าที่เรื่องไร้สาระมันอยู่กันมา40ปีเนี่ยพอทะเลาะครั้งเดียวบางทีเลิกก็มีแต่ถ้าเราเราเข้าใจกฎของธรรมชาติในโลกธรรมเนี่ยเราก็ไม่ถือสาได้เรื่องเล็กๆหรือเพื่อนเพื่อนเพื่อนฝูงพี่น้องกันเนี่ยบางทีทะเลาะกันก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะคนเรามีกิเลสมีความคิดปรุงแต่งซึ่งเป็นสิ่งที่เราสะสมเอาไว้ ซึ่งเป็นปัญหามากถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมไม่ไม่เรียนรู้ชีวิตไม่มาสนใจธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วก็อยู่ในความหลงผิดเพราะโดยธรรมชาติของจิตเนี่ยมันจะมีสัญญาวิปลาสอยู่สี่อย่างโดยธรรมชาติของจิตเลยนะคือจะเห็นของไม่เที่ยงเป็นของเที่ยงคือคนเราจะมองว่าเที่ยง แล้วก็จะเห็นว่าคือเห็นของไม่เที่ยงเป็นของเที่ยงแล้วก็จะเห็นความทุกข์เป็นความสุขแล้วก็จะเห็นความไม่ใช่ตัวตนเป็นตัวตนแล้วก็เห็นของไม่สวยเป็นของสวยคือเห็นของไม่ไม่งามเป็นของงามแล้วสเกลที่ดีจิตเขาหลอกคนเราจะเป็นอย่างนี้จริงๆบางครั้งเราอยากตั้งอนาคตที่ถาวรเลย อยู่กับโลกไปเป็นอมตะอยากสร้างอนาคตอยากมีคร อ, อบครัวที่อบุ่นอยากมีความสุขข้างหน้าแล้วก็ดิ้นรนเพื่อเรียนเพื่อเรียนรู้ต่างๆสิ่งต่างๆเพื่อทำมาห า, ากินเพื่อร่ํารวยเพื่อความมั่นคงที่จะอยู่ในโลกอันว่าเห็นอะมากบางคนเรียนจบมาเนี่ยตายไปก็มีบางคนจบด็อกเตอร์มาไม่มีโอกาสได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาเลยบางคนจบปริญญาตรีมาฉลองปั๊บเดียวก็ตายก็มี เพราะคนเราเนี่ยมันจะมีสิ่งที่กำหนดไม่ได้อยู่ห้าอย่างขณะที่เรามีชีวิตอยู่ห้าอย่างมีอะไรบ้างก็มีเรื่องอายุเนี่ยอายุของคนเราเนี่ยในที่นี้จะไม่มีใครมั่นใจเลยตัวเองจะมีอายุอยู่เท่าไหร่เพราะบ า, างคนตายตั้งแต่งเด็กตายตั้งแต่วัยรุ่นวัยทำงานบางคนตายตอนแก่ก็มีบางคนอยากตายไม่อยาก ย, ยังไม่ตายเลยซื่องอายุนี่ยกำหนดไม่ได้ แล้วก็เป็นสิ่งที่เราเนี่ยรับรู้ได้ว่าเราต้องตายแน่นอนแล้วก็เราอย่าประมาทเรื่องนี้แล้วข้อที่สองความเจ็บไข้อันนี้เรากระโดดไม่ได้เหมือนกันยังวันนี้เราแข็งแรงเนี่ยมีสุขภาพดีเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะพรุ่งนี้เราจะมีสุขภาพดีเหมือนวันนี้นกจากขณะที่เรามีสุขภาพดีเราก็ควรจะถือเป็นโชคดี แล้วก็ไม่ประมาทอย่างคนเรานานๆเจอกันทีเนี่ยเจอกันอาการครบสามสองเนี่ยถือว่ามีบุญมากนะเจอกันโดยไม่เดียงเอาอวะอยู่คบเพราะว่าคนเราจะอยู่ใต้กฎของไตรักบางทีบางทีก็พอไม่เจอกันานานก็ร่างกายเปลี่ยนแล้วบางคนเราอยู่ด้วยกันทุกวันเนี่ยเราจะไม่รู้หรอกหน้าตาจะดูเปลี่ยน เปลี่ยนช้าแต่ถ้านานๆเจอบางทีเนี่ยเดี๋ยวผมก็ื่อกลอกปีนกาขึ้นผิวหนังก็ตกกะสังเกตได้บางคนทําบางคนเครียดมากในหน้าตาจะหมองค้ามเศร้าเศร้าเป็นทุกข์แต่ละบางคนเนี่ยคิดเรื่องดีๆเนี่ยจิตก็จะผ่องใสหน้าตาก็เบิกบานหน้าตาคนเราจะหลอ ก, กไม่ได้เรื่องทุกข์ก็ไม่ทุกข์เนี่ยแล้ฟาเจ็บไข้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องไม่ละหมาดแล้วก็หมดไม่ได้เหมือนกัน แล้วก็ข้อที่สามข้อที่สามก็คือเวลาที่จะตายอันนี้เรากำหนดไม่ ไ, ได้เหมือนกันเพราะเราจะตายเวลาเช้าสายบ่ายเยน็น ไ, ได้ทุกเวลาเลยอย่างสุภาษิต ท, ที่เบธบอกว่าเราไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้กอบเช้าหน้าไหนจะมาก่อนเพราะบางคนนอนๆอนอยู่เนี่ยไปที่เจอพวกเครื่องบินตกตกบัสไซ ตายก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทุกเมื่อหรือบางครั้งก็อุบัติเหตุอย่างอื่นบางทีไฟไหม้บ้างอุัติภัภยตามธรรมชาติบ้างโอกาสเห็นวันพรุ่งนี้ก็มีดังั้นเราต้องไม่ประมาทคนเราตายได้ทุกเวลาแล้วก็ข้อที่สี่สถานที่ที่จะตายซึ่งข้อนี้เราก็กหนดไม่ได้เหมือนกันใตาจะตายในบ้าน ตายนอกบ้านมโหคตายไกลไปตายต่างประเทศก็มีไม่รู้เลยว่าจะตายที่ไหนบางคนก็ตายบนในน้าก็มีบนบกบนฟ้าตายได้หมดอะ่ะข้อที่เรากำหนดไม่ได้และแต่ว เ, วเวรกรรมที่เราทามาแล้วข้อที่ห้าเนี่ยคติที่จะไปข้อนี้เรากำหนดไม่ได้พราะตายแล้วจะไปไหนเพราะเราไม่สามารถควบคุมจิต ด, ดวงกุดท้ายได้ ขณะที่เรากายเนื้อแตกดับเสียตายไปในพวกปู่ต่างๆเนี่ยซึงรอเราอยู่ถ้าเราก่อนตายเราไปคิดอกุศลหรือเวีกรรมให้ผลเนี่ยเราอาจจะอาจจะไปทุกขติก็ได้แต่ถ้าขณะตายเนี่ยจิตสุดท้ายเราไปคิดเรื่องบุญกุศลที่มาได้หรือทำความดีบ่อยๆเนี่ยเราไปสู่ทุกกติเพราะว่าบาปเนี่ยเปรียบเป็นก้อนหินแค่ก้อนเดียวโยนลงไปในน้าก็จมแล้วแต่ถ้าบุญ ลูกุศลเนี่ยเปียกเหมือนเรือคือเรือสามารถทุก ก, ก้อนหินได้มหาศาลเลยนั้นคนเราวิีทางรอดก็ต้องปฏิบัติธรรมอย่างที่พวกโยมมาปฏิบัติเนี่ยก็จะช่วยป้องกันเรื่องพวกนี้ได้อยู่ป้องกันเรื่องที่กําหนดไม่ได้ห้าอย่างเนี้ยเพราะอย่างน้อยๆมาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็มาชําระล้างจิตแล้วก็เปลี่ยน ทำกรรมให้ดีขึ้นซึ่งบางทีก็ขายราจะตายเนี่ยเพื่อนึกถึงความดีที่เราทาขึ้นมาเขาวัปฏิบัติธรรมถือศีลภาวนากลังเจริสติขึ้นมาเนี่ยเกล้จะตายอยู่นึกถึงกลังเดจงกลมอยู่ขึ้นมาได้เนี่ยอันนี้เราก็รอดนะรู้สึกตัวในตอนตายหรือขณะจะตายเนี่ยกำลัง ย, ย, ยกมืออันนี้ก็รอดเพราะจิตเปน็นกุศลอาจจะเกิด เป็นเทวดาหรือเป็นพรมก็ได้แล้วแต่อินทรีที่เราฝึกมาเราฝึกมาดีเราก็มีโอกาสเลือกอยู่ถึงกำหนดไม่ได้แต่เราสามารถเลือกไปเกิดเกิดที่ดีๆได้อยู่ข้อนี้ยังมีทางเลือกซึ่งเมื่อกี้อาจารย์วิรัชชัยแซงถามไอ้สวดมนต์เรื่องมองคลสูตร อาตมาก็โดนนิมนต์กระทันหันก็นึกไม่ออกก็พูดเรื่องพวกมงคลสูตรแล้ ว, ลวกันมงคลสูตรเนี่ยถ้ารวาดย่อเนี่ยมันจะมีหรือห้าอย่างคือคิดดีพูดดีทําดีคบคนดีแล้วก็สู่สถานที่ดีซึ่งห้าอย่างเนี้ยคือมงค ล, ลสูตรฉบับย่อถึงจําง่ายเพราะว่าถ้านับแบบมงคลสามแปดประการเนี่ยจะยาวยังคิดดีจะสําคัญมากเลยคิดดี คิดดีอย่างพวกโยมกาคิดดีแล้วมาปฏิบัติธรรมอาวัดเนี่ยถือว่าคิดดีพวกโยมจะทําความดีครบห้าข้อนะครบมงคลสูตรเลยคือมาปฏิบัติธรรมสวดมนต์ไหว้พระฟังฟังธรรมแล้วก็ทําความดีอันนี้คือคิดดีแต่ถ้าคิดไม่ดีก็ไปหาใบายมุกกินเหล้าเมายาเสพติดเสพติดต่างๆอันนี้คิดไม่ดีคิดทําให้ทําให้ตัวเองตกต่ํา คิดดีก็คือทำประโยชน์ตนเองแล้วทำประโยชน์ตนอื่นแล้วก็พัฒนาจิตพัฒนาตนเองให้ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นทั้งทางโลกกับทางธรรมอันนี้คือคิดดีแล้วก็พูดดีข้อนี้ก็สําคัญคือพูดดีก็ต้องพูดไม่โกหกมีศจละอันเนี้ยสําคัญมากเลยนะข้อศี จ, จะเนี่ยคือถ้าเราไม่มีศจละโกหกเราก็เป็นคนไม่ดีละเครดิตเราก็ไม่มีอยู่ในสังคมเพื่อนฝูงก็ไม่เชื่อถือ ทำการค้าก็คนก็ไม่เชื่อถือเราเราก็ไม่เจริญแล้วสําเราเับคนพูดดีเนี่ยมีสถีจะคนก็เชื่อถือเรามีเครดิตแล้วก็มีคนอยากค้าขายด้วยทำธุรกิจด้วยควาเจรรุ่งเรืองก็จะเข้ามาและปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันนะถแล้วคนช อ, ชอบโกหกเนี่ยเวลารื้อถอน หรือชำระล้างจิตจะมีปัญหามากเลยเพราะว่าจิตตัวนี้มันขวางการปฏิบัติธรรมเพราะการปฏิบัติธรรมเนี่ยคือการลื้อของของเก่าทิ้งเหมือนลื้อบ้านทิ้งตัวนี้จะขวางอยู่ให้เราต้องเคลียร์ยิ่งโกหกก็เหมือนดินพ่อขางหมูตอนตอนปฏิบัติธรรมจะลาบากมากเลยตัวนี้จะขึ้นมาพี่แต่คนที่ไม่โกหกพูดตรงไปตรงมาเนี่ยจะจะเคลียร์ง่ายกว่าจึงสําคัญทั้งทางโลก ท, ท, ทั้งธรรมเรื่องโกหกแล้วก็พูดสอดเสียดผู้สอดเสียดนี่ก็สําคัญอย่างกสุดสุนทรพูดแต่งไว้ อันอ้อยตาหวานลิ้นแล้วสิ้นซากแต่ลมปากหวานหูยังไม่รู้หายถึงแม้เจ็บอื่นหมื่นแสนไม่แคลนคลายเจ็บใจบพเพราะเน็บให้เจ็บใจอีกคนเราเนี่ยบางทีชอบเหน็บแนมส่อเสียดซึ่งบางคนคิดไม่เป็นก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ละคนบางคนเจ้าความคิดจะฟังแล้วเก็บมาคิดย้ำคิดยั้งทำตอกย้ำการพูดสอดเสียดจึงเป็นเรื่องที่ไม่ดีไม่ควรพูดแต่คนพูดคังที่หวานหูโดยธรรมชาตคนเราจะชอบคาหวานหูมากกว่าจะติดใจไปไปนานเลยแต่คําส่อเสียคําดินคําไม่ดีเนี่ย ก, ก็จําไปจน จะไปนานเหมือนกันนะเพราะจิตมันจะบันทึกไว้แล้วก็แล้วก็แล้วก็พูดคำหยาบพูดคําหยาบนี่ก็มันออกจากจิตแล้วถ้าคนที่จิตดีจะไม่ค่อยพูดคำหยาบหรอกมันจะมีนึกขึ้นมาได้เราไม่ควรพูดเพราะคําหยาบคำรามุกต่างๆเนี่ยมันออกจากจิตอาตมาไม่เชื่อว่าคนเนี่ยปากร้ายใจดีนะเพราะว่ามันออกจากจิตหมดเลยถ้าคนมีสติมันจะเป็นการกรองขึ้นมาให้มีมีวาจ่ายสุภาพอ่อนน้อมไม่อาหังการ แล้วก็มันจะแฝงแววทะนงอยู่แต่ถ้าคนที่พูดดีเนี่ยหรือพูดจะอ่อนน้อมเนี่ยมันจะเป็นการลดอัตราด้วยเป็นเป็นคุณธรรมข้างในข้อ น, นี้ก็สําคัญนะ ข, ข้อข้อเนี้ยแล้วก็พูดเผลเจอพูดเผลเจอนี่คือคนไม่มีสติบางทีพูดไปเรื่อยเปื่อยไร้สาระสามารถพูดได้เป็นวันแต่เรื่องที่พูดไม่มีสาระเลยเมื่อมันไหลก็มาจากความคิดไง พูดเรื่องนู้นวุนยงไปเรื่องนี้แต่ละใครพูดเพ้อเจ้อมากเนี่ยก็เตรียงตัวบ้าได้เลยคือไม่มีสติโรคลมพย า, ยาบ้ารออยู่คนพูดเพ้อเจอเนี่ยใหม่ๆมันก็เพ้อเจอนิดหน่อยพอนานๆเขามันจะเพ้อเจอมากพูดแบบพั่มๆไปแต่ล้วคนมีสตินะมันจะมีตัวควบคุมพอพูดไหลไปนานเนี่ยมันจะกลับมารู้สึกตัวจะรู้ว่าผู้ไร้สาระเนี่ยเสียพลังงานแล้วก็ฟุ้งซ่านมันต้องใช้ประการปรุงแต่งด้วยไห ล, หลเข้าไปในโลกความคิด นั้นเราก็ไม่ควรพูดเพ้อเจอแล้วก็มาข้อที่สามเมื่อกี้ก็พูดดีพูดพูดดีคิดดีพูดดีแล้วก็ทำดีข้อนี้ก็สำคัญทําดีในที่นี้ก็หมายถึงทำประโยชน์ตนเองแล้วก็ประโยชน์คนอื่นอยา่างพวกโยมาเนี่ยก็ถือว่าทำดีนะมาปฏิบัติธรรมถึงน้อยคนนักที่ได้มาบางคนก็อยู่ในโลกข้างนอกเนี่ยบางคนก็ทำไม่ดีหลอกลวงกันมั่ง ใช้เล่หเหลี่ยมทำทำบาปทำกรรมก็มีอย่างเรามาวัดเนี่ยเราเขามารักษาศีลทำความดีคนเราเนี่ยมาถึงภาวนายากนะส่วนมากจะมาติดแค่ตรงทำทานทำทานเยอะอยู่ก็อสายบุญเก่าและวสายนิ ส, ยสัยสังสมไว้ถึงมาอยากมาปฏิบัติข้อเนี้ยยากในประเทศไทยเนี่ยเราจะเห็นคนที่อยู่ข้างนอกทำบุญตักบาตรแล้วก็เลิก แต่มาวัดเนี่ยมาฝึกแบบพวกเราเนี่ยไม่มีหรอกมีน้อยคือชนกลุ่มน้อยเพราะการปฏิบัติเนี่ยมรติเป็นที่ใสกลับบ้านไปก็ไปปฏิบัติได้ต่อเพราะมันจะสามารถทำให้เราเนี่ยออกจากกองทุกได้เพราะคนเราเนี่ยจะทุกข์เพราะความคิดปรุงแต่งทั้งนั้นเลยเพราะว่าไม่มีสติเวลาคิดอะไรไปก็ไหลไ ป, ไปตามเรื่องนั้นแต่ถ้าเราเจริญสติเนี่ยถ้ารู้สึกตัวคิดขึ้นมาเรารู้เอ๊ะเราเผลอคิดไปแล้วไปได้ไม่ไกลแก แต่เรื่องที่คิดก็ไม่จริงเลยนะแต่ถ้าคนไม่มีสติเนี่ยคือเรื่องจริงสามารถทําให้เราเนี่ยทําร้ายตัวเองทําร้ายผู้อื่นก็ได้ผู้ที่ไปติดคุกติดตารางเนี่ยก็เพราะไม่รู้เรื่องความคิดคือความคิดสายหัวไปเลยอยากทําอะไรก็ทําอะไรเงี้ยอยากไปกินเหล้าก็ไปกินอยากไปเล่นการพนันก็ไปเล่นอยากทําอะไรที่ไม่ดีความคิดสั่งหมดแหละคือตกไปทางความคิดชีวิตไม่มีอิสระอยากทําอะไรก็ทําเรื่องนี้จึงสําคัญนะเรื่องเรื่องทําดี ทำดีนี่ก็หมายถึงไม่ใช่แค่ปฏิบัติธรรมบางเดียวนะแบบเราสามารถทํางานส่วนรวมก็ได้ช่วยสังคมอย่างเรามาวัดเนี่ยเราสามารถช่วยวัดฝาดใบไม้ช่วยทำความสะอาดหรือช่วยงานวัดที่เราเห็นว่าควรช่วยรากห้องน้ําบ้างอันนี้คือทําความดีหมดเลยหรือไปข้างนอกถ้าเราโอกาสช่วยสังคมช่วยทำประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยก็คือทําความดีสุดแล้วทําความดีทําให้ทุกที่แล้วเป็นสิ่งจําเป็นด้วย แต่ถ้าความดีสูงสุดคือการภาวนาเพราะการภาวนาเนี่ยได้ประโยชน์สองฝ่ายประโยชน์ตนประโยชน์ท่านสามารถทําให้เราเี่ยพ้นจากความทุกข์ได้แล้วข้อที่สี่เนี่ยคบคนดีในมงคลสูตรเนี่ยถือเป็นข้อแรกเลยข้อหนึ่งเลยสําคัญว่าการไม่คบคนพาลถ้าเราครบคนพาลปุ๊บเนี่ยคนพาล น, นี่ยพาเราไปหาสิ่งไม่ดีตลอดสายเลยเป็นอบอายามุกบางคนก็ต้องตายติดคุกติดตารางเสียภูเเสียคนเป็นก็เยอะ เพราะคนเราเนี่ยจิตจะไหลลงทางทางต่ําอยู่แล้วคือความชั่วเนี่ยหัดง่ายแทบจะไม่ต้องหัดเลยบางคนเนี่ยแป๊บเดียวเล่นไพ่ก็เป็นละเล่นกนารพนันเนี่ะเก่งทุกอย่างกินเหล้าหัดแป๊บเดียวแหละตอนแรกก็จิตมันก็ไม่ชอบพอหัดแป๊บเดียว ม, มันก็เป็นดุบุหรี่เหมือนกันแต่ทํำคนดีต้องฝืนต้องสวนกระแสะต้องทวนกระแสะซึ่งทํายากข้อนี้จึงเป็นเรื่องที่ฝืนแล้วการครบเขาคนดีเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงเฉพาะคนนะหมายถึง ไอ้ความคิดด้วยความคิดเนี่ยบางทีถ้าความคิดก็เป็นอนลลภานอย่างหลวงพ่อผีชาบพูดว่าตัวรักคิดอันนี้คืออัลลภ า, านหรือเป็นคนพานเหมือนกันคือว่าข้างนอกเนี่ยคือโคตอาจจะเป็นคนอื่นคบมิดไม่ดีพายเราเสียผู้เสียคนแต่ถ้าเราครบมิดข้างในไม่ดีอ่ะคือความคิดปรุงแต่งที่มีตัวรักคิดหรือกิเลสที่เราสั่งสมไว้เนี่ยอันนี้ก็สําคัญมากมากกว่าเพื่อนข้างนอกเพื่อนนอกเนี่ยเจอกัน เดี๋ยวเจอกันนานๆครั้งหนึ่งไม่ได้เจอทุกวันหรอกแต่ว่าเพื่อนข้างในจเจอตลอดเวลาเลยอันนี้จะทำให้เราตา ม, ตามใจตัวเองตามใจกิเลสใจเป็นคนเล่เหลี่ยมมากแล้วมันก็ดึงไม่ให้เราปฏิบัติทําไม่ให้เราเรียนธรรมะด้วยนะเพราะกิเลสจะเกลียดธรรมะมันอยู่ตรงข้ามกันข้อเ น, นี้ยจะเป็นเรื่องสําคัญมากซึ่งเพื่อนดีเราก็ต้องอาศัยกายามิตกายามิตรก็ต้องคบพระพุทธเจ้าคบครบูบาอาจารย์สมัยนี้พระพุทธเจ้า ว, วันนี้ที่ผ่านมา 2,000 กว่าปีแล้ว จะคำสอนของท่านยังอยู่ครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติธรรมแล้วเห็นผลก็ยังอยู่เราก็สามารถเรียนรู้ธรรมะจากท่านได้กิจามิติสาคาัญตรงที่ว่าส า, สามารถให้กําลังใจเราเป็นถึงที่สุดแห่งทุกได้เลยนะถ้าอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีสมมุติเราเป็นคนดีถ้าเราอยู่ในที่ไม่ดีเนี่ยไปอยู่ในในสังคมที่ไม่ดีนะเขาดึงเราเสียคนได้ง่ายปป๊บเดียวอีสมมติไปอยู่วัดที่ไม่ดีวัดที่ไม่มีการปฏิบัติธรรมวัดที่มิฉาทิฏฐิเนี่ยแป๊บเดียวก็ดึงเราเสียคนแล้วเพราะกำลังหมู่มีมากกว่า แต่ถ้าอยู่ในหมู่ที่แข็งแกร่งหมู่ที่ดีเนี่ยก็ดึงเราขึ้นเลยพระเจ้าบอกว่าถ้าเราเลวอ่ะเราไปอยู่กับคนดีเนี่ยเราควร ง, ง้ออยู่แต่ถ้าาดีกว่าเขาเนี่ยบางทีเราควรไปให้ไกลๆเลยมันเกิดประโยชน์เราอยู่กับคนดีกว่าคนทนอยู่เพราะว่าจะดึงเราขึ้นบางครั้งเราคนคบคนที่อินทรีย์แข็งกว่าเราคนนี้จะดึงเราขึ้นแต่คนอินซีต่ำกว่าเราเนี่ยจะดึงเราลงเพราะมันจะมีาธาตุดึงดูดเพราะคนเราคบกับได้าธาตุงั้นเราต้องคบคนอินทรีย์แข็งไว้ก่อน สังเกตนะคนคนที่ฟุ้งซ่านเพลยอเจอร์จะไปหาคนที่มีธาตุเดียวกันคนชอบพูดพูดมากเหมือนกันเนี่ยปั๊บเดี๋ยวดูดเข้าไปคนที่กินเหล้าก็ไปหาคนกินเหล้าคนที่เล่นการพนันก็จะดึงดูดเข้าไปหาคนเล่นการพ น, นันซึ่งคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ดึงดึงดูดเข้ามาหาคนปฏิบัติธรรมถ้าคนชอบผู้ธรรมะคนธรรมะธรรมโอก็จะมาคุยเรื่องธรรมะด้วยกันคือมีกระแสจิตมีธาตุดึงดูดเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงพิสูจน์ได้ บางคนท้าไม่ตรงกันไม่สามารถครบค้า ค, บ, คบกันได้เลยปั๊บเดียวท่ามันก็ผักออกแล้ขึ้นกระแสจิตไม่ตรงกันคบกันยากแล้วข้อที่ห้าเนี่ยสู่สถานที่ดีอย่างพวกโยมก็มาสู่วัดป่าสุกโตเนี่ยก็ถือว่ามันอยู่ในที่ดีนะสู่สถานที่ดีมาวัดวารามมาปฏิบัติธรรมเนี่ยถือว่ามาม า, มาดีมาถ้าไปที่ไม่ดีก็ไปหาไปทางไบยบุกไปสนามมา้าไป ที่อาบยมุกต่างๆแหล่งเริงรมอันนั้นคือที่ไม่ดีบางทีเขายิงปืนข้ามหัวเงี้ยบางคนก็ชอบไปที่เขาไม่ไว้ใจกันระแวงด้วยคือพวกชอบเที่ยวกลางคืนไปตามบ่อนไปที่ว่าเต็มไปด้วยความระแวงชุมนุมดาวร้ายทั้งหลายอันนั้นคือที่ไม่ดีอย่างประตูคุกเนี่ยปิดอยู่คนก็ชอบเข้านะประตูวัดเปิดอ้าตอนรับเสมอโยงพวกพวกคนไม่ชอบเข้าหรอก เพาจิตคนเราเนี่ยไหลลงทางต่ำหันหาใบยมุกง่ายแต่มาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมเนี่ยยากนั้นไปสู่ฐานที่ดีเนี่ยเราก็ต้องอาศัยบุญเก่าเหมือนกันนะ mm hmm. คือนิสัยชอบความสงบชอบพัฒนาตัวเองอันนี้เราจะสู่ฐานที่ดีได้ซึ่งมงคลห้ามงคลสูตรชอบย่อเนี่ยคิดดีพูดดีทำดีคบคนดีสุที่ดีเนี่ยพวกโยมต้องใช้เพราะเดี๋ยวโยมกลับบ้านไปเนี่ย ก็ใช้ชีิตประจําวันได้ห้าดีคือขาดดีใดดีดึงไม่ได้เลยเฉพาะคิดดีที่สําคัญนะอนามาดูว่าสำคัญมากเลยข้อข้อคิดดีเนี่ยเพราะว่าถ้าเราไม่ไม่นั่นนะเราก็ไปคิดไม่ดีคิดทางลบเราก็ทุกข์ละคือเราก็มองเห็นความดีของสามีภรรยาของคนที่อยู่ใกล้ชิดกับเราเนี่ยหรือคนคนคนเราจะช่วยเหลือเกื้อกูล ก, กันจะมีบุญคุณต่อกันนะบางทีเรามองข้ามอย่างพ่อแม่เนี่ยบางทีมีบุญเกิอลูกเนี่ยทำความดีกับลูกเป็นพันเป็นหมื่นครั้งเนี่ย เพรกิเลสของลูกแท้ๆพอพ่อแม่ด่าเราครั้งหลงครั้งเราก็รื้อบุญคุณท่านละเราก็ต่อต้านเกียรติท่านก็มีเพราะว่านิสัยอกิเลสเนี่ยคนที่เนรคุณคนเนี่ยเนรคุณพ่อแม่ปุ๊บก็จะเนรคุณครูบาอาจารย์ด้วยแล้วก็เนรคุณเพื่อนด้วยคือเอาไปสามตำแหน่งเลยคือเนรคุณทุกทุกทุกอย่างที่กวางหน้าคือจะเห็นแค่ตัวแต่นคนกระตันยูเนี่ยก็จะกระตันยูหมดกระตันยูต่อโลกต่อธรรมชาติ ต่อต้นไม้สรัพระสิ่งทั้งหลายพวกเราเราเนี่ยมีชีวิต อ, อยู่ได้ก็ต้องอาศัยธรรมชาติฝนฟ้าอากาศต้นไม้ซื้อให้ออกซิเจนับเราแสงอาทิตย์ฝนแล้วก็น้ำต่างๆอันนี้ธรรมชาติก็มีบุญกับเราแค่นั้นยังไม่พอบางทีผู้ใหญ่หรือเพื่อนอพจะช่วยเหลือเราคนที่ไม่มีคนช่วยเหลือน่มักไปได้ไม่ไกล หัวเจงคนที่เก่งเนี่ยมีความสามารถแต่ไม่มีกระยาหมิตรไม่มีคนสนับสนุนเนี่ไปได้ไปไม่ได้หรอกผิดจากคนที่มีคนช่วยเหลือซึ่งไปได้เราสังเกตนะคนที่ประสบความสำเร็จจะต้องมีคนช่วยเหลือมากมายเลยมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือมีเพื่อนช่วยเหลือถึงจะไปรอดคนเราต้องตอบแทนบุญคุณอย่ามายกยกเรื่องความกระดานยูมาให้โยมฟังเขาเรื่องหนึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องของจีนทั้งจีนเนี่ยถือเรื่องนี้มากเลยเรื่องกระดานยูยกมาสักเรื่องเรื่อง เอาเอาเรื่องลกเจ๊กก็แล้วกันลกเจ๊กเกิดในสมัยรัจวงพั่นก่อนยุคสามก๊กลกเจ๊กเป็นเด็กเด็กที่ฉลาดมากคือเรียนปาดเรียนเรียนของของจื๊ออยู่เด็กที่มีคดีวันหนึ่งได้มีโอกาสไปกินเลี้ยงในงานของเจ้าเมือง เจเมืองก็คืออ้วนสุดซึก็เลี้ยงอย่างดีเลยลกเยกเป็นเด็กเด็ที่ยากจนกินอาหารอร่อยจนจนอิ่มหลังสำรานแล้วก็กินส้มส้มหวานมากพอกินกินส้มไปก็คิดถึงมารดาของตนเองแม่เรามีโอกาสกินส้มไหมเนาะเราเอาไปฝากแม่ดีกว่าเพราะส้มอร่อยมากซึ่งคนจนจะไม่มีโอกาสได้กินเลยก็เลยเอาส้มเนี่ยใส่ในเสื้อเสื้อหงจีนจะแขนยาว มองแม่ไปไกลเห็นคือขโมยส้มมาแหละขโมยส้มไปฝากมันดานพองานเลี้ยงเลิกลกเจ็กก็ไปกราบลาอ้วนสุดเจ้าเมืองขณะที่กราบส้มก็หล่นมาจากแขนเสื้ออ้วนสุดก็ตำหนิบอกว่าเธอไม่ได้ายใจเหรอที่ว่าเราเลี้ยงเธอจนอินมหมือนสานแล้วยังคิดจะขโมยของของเจ้าบ้านอีกลกเจ็กบอกว่าผมทด้ผลจาเป็น พอส้มของที่นี่อร่อยมากผมอยากไปฝากแม่ผมถึงบ้านผมยากจนคือคิดถึงแม่มากอ้วนสุดซึ่งตอนแรกก็ตําหนิอีเตียนก็เลยซักซึ้ว่ารกระดานอยู่เห็นว่าเออโลก เ, กเลยกได้เป็นคนเป็นเด็กดีมีคุณธรรมคิดถึงแม่ยอมองลงทุนขโมยซึ่งการขโมยเนี่ยของของบัณฑิตถือเป็นเรื่องใหญ่นะคนที่เรียนของจื้อเนี่ยคือน่าตําหนิมากเลยยังยอมอุตส่าห์ทำเพื่อแม่ ก็เลยสั่งให้คนเนี่ยเอาก็ใช้กระเช้าส้มมาอีกกระเช้าหนึ่งให้ไปฝากด้วยเรื่องที่กระจบลงได้ดีคือลูกเจ๊ ก, กเอาส้มไปฝากแม่แล้วก็ไปที่มาของความกระตันยูรู้คุณมารดาเรื่องนี้มีอยู่ในยีิบสี่ยอด ก, กระตันยูมีหลายเรื่องแต่เรามาเล่าเรื่องเดียวเพราะเวลาจะหมดแบบคนเราขายไม่ได้เรื่องความกระตันยูกระตันยูเด็กครูบาอาจารย์กตันยูเด็พ่อแม่แล้วก็แก่ผู้มีพระคุณอันเนี้ชีวิตเราจะไม่ตกตำ่ำ ในโลกเราเนี่ยต้องพึ่งพาอาศัยกันแล้วกันการยู่เป็นเรื่องสําคัญมากคนที่เนรคุณเนี่ยมักจะไปได้ไม่ไกลฟ้าดินลงโทษบ้างมีชีวิตที่แป๊บเดียวดีเดี๋ยวก็ตกต่าแล้วถ้าคุณกระารยูเนี่ยเกิดดึงขึ้นสูงเรื่อ ย, อยจิตคนของคนเราเนี่ยจิตที่คิดจะให้ดีกว่าจิตที่คิดจะเอาจิตที่คิดจะให้จะจิตที่มีความสุขถ้าคิดจะรับมันหนักละอันมาจะท่อมก่อนให้พวกโยมฟังก่อนเนี่ย ขอแต่งไว้ดีนะควรรมเป็นทานซึ่งการให้ท่านว่าไว้สวยงามสามสถานหนึ่งให้ของสองธรรมะชนะมานอภัยทานที่สามงามเหลือเกินเป็นผู้ให้ดีกว่าเป็นยาจกมีคนยกคนรักมีศักิ์ศรีเป็นผู้ของอ้เขาไม่เข้าทีเสียศักดิ์ศรีคนชังลังเกียดเราสองฐานะวิจัยให้เห็นแจ้งอย่าเครือบแคงกังขาอย่างโง่เขา เป็นผู้ขอผู้ให้ตามใจเราจงเลือกเอาอย่างไหนคิดให้ดีซึ่งคนเราเนี่ยถ้าเป็นผู้รับเนี่ยจิตจะหนักอันมาจะเล่าท้ายฝั้ังเรื่องหนึ่งเรื่องนี้เขาแต่งมาเสียสีเรื่องเสีสีมีวิญญาณอยู่สองสองคนซึ่งพอพ้นโทษในโลกแล้วก็ไปหาโยมพบาลเพื่อจะไปเกิดวิญญาณสองคนนี้ก็คือวิญญาณอันมาเรียกในกอกันอีกคนชื่อในขอโยมพบาลก็ ให้โอกาสสคนนี้เลือกเอาคือเลือกเอาว่าจะไปเกิดเนี่ยอีกคนหนึ่งเนี่ยไปเกิดมีสิทธิพิเศษสามารถรับของตลอดชีวิตอีกคนหนึ่งเนี่ยจะต้องให้ของตลอดชีวิตให้สองคนนี้เลือกเอาจะเลือกเอาอย่างไหนในกรีบยกมือขึ้นสมัครเลยบอกขอเป็นผู้รับตลอดชีวิตมีสิทธิพิเศษซึ่ ง, งโรงพบาลก็บอกว่าในกมีความโลภต้องการรับตลอดชีวิตให้ไปเกิดเป็นลูกขอทานก็นแล้วกัน พรขอทานเนี่ยรับตลอดชีวิตเป็นผู้รับส่วนในขอซึ่งไม่มีสิทธิเลือกให้ไปเกิดเป็นลูกเศรษฐีซึ่งตลอดชีวิตจะต้องเป็นผู้ให้บางทีก็ต้องทําบุญทําทานตลอดชีวิตอ่ะโยมคนคิดเอ า, าเป็นผู้ขอผู้ให้เนี่ยสำคัญกว่ากันอันไหนดีกว่ากันคือเป็นผู้ให้เนี่ยเราสามารถทําบุญทํากุศลต่อยอดได้ตลอดแต่เป็นผู้ขอเนี่ชีวิตตกต่ำต้ขอขอทั้งขอตลอดเป็นกันซึ่งไม่มีศักดิ์ศรีเลยขอทาน ถ้าพียร ผ, ผู้ให้ผู้ให้เจ็บด้วยศักดิ์ศรีมีคนรักด้วยมีคนยกด้วยผู้ขอนี่ก็ต้องเหมือนเป็ดอ่ะแบบว่าอยากได้ชีวิตก็ตกต่ําลงไปเรื่อยๆนั้นจิตที่คิดจะให้ย่อมจะดีวจิตที่คิดจะเอาธรมารสัพเพลาที่เรามาพูดมาก็เห็นว่าสมควรกับเวลากขอความสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติโ ย, ยมทุกท่าน